เสียงอ่านหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเจบับสมบูรณ์บันทึกโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นับเป็นภาคที่สองส่วนประวัติหลักเรื่องต่อจากบทนำภาคต้นคือเรื่องใต้สามัญสานึกควรฟังเรื่องใต้สามัญสำนึกก่อนเท่านั้นนะครับจึงค่อยมาฟังในภาคประวัติหลักนี้จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก ศาสตราจารย์ด็เตอร์ในแพทย์วิประวิประศิธิ์ครอบครัวปิติเจริญกุลครอบครัวพันธสิทธิ์จากสอปปลาวอาภินันและสุภัตราสินทวัตรร่วมจัดทําโดยครอบครัวสีโพคาปภาวรินบุบลิสจิตติมาเดออุไรยสีเมืองครอบครัวสิริวัฒนาโชตครอบครัวพันณเสตครอบครัวปัญญาภรณ์ปิยะครอบครัวเอี่ยมวงศรี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 หมดทุกสิ้นภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถินสภาพธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทระฉบับสมบูรณ์การเขียนประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทระของข้าพเจ้า โดยการได้ยินได้ฟังจากตัวของท่านเองและครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าตลอดถึงลูกศิษย์ของท่านเพราะท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านเป็นนักผจนภัยเพื่อต่อสู้กับกิเลสอย่างยอดเยี่ยมจึงเป็นประวัติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าเองตั้งแต่เป็นสามเณรเพียงแต่ได้ยินอาจารย์ของข้าพเจ้าเล่าให้ฟังก็รู้สึกเลื่อมใสจริงๆจนอยากจะพบท่านทีเดียว แต่ประวัติของท่านอาจารย์มั่นนั้นเข้าใจว่าตัวข้าพเจ้าเองไม่สามารถจะพันนาได้หมดแน่เพราะเหลือวิสัยเนื่องจากมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งลึกลับอยู่แต่ว่าความจริงแล้วการแนะนำพร่ำสอนในธรรมะทั้งหลายนั้นข้าพเจ้ายอมรับยังไม่มีข้อแม้เลยว่าเป็นธรรมะที่มีเหตุผลและเป็นผลที่ได้รับจริงๆจนข้าพเจ้าต้องอุทานมาคนเดียวขณะที่เพิ่งจะมาอยู่กับท่านว่า เรามาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเพียงเดือนเดียวแจมแจ้งในธรรมดีกว่าอยู่กับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าถึง8ปีแต่อะไรที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องอุทานออกมาเช่นนี้นี่หละที่จะเป็นต้นเหตุให้เขียนประวัติของท่านอาจารย์มั่นต่อไปคำแรกที่ข้าพเจ้าได้ฟังจากท่านอาจารย์มั่นแม้ว่าวันแรกที่ข้าพเจ้าไปพบวันนั้น ต้องเดินไปเป็นหนทางถึง20กิโลเมตรพอส่งน้ำเสร็จเข้าไปกราบท่านไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแสดงธรรมเลยทีเดียวท่านแสดงว่ามัชิมาทางกลางหมายถึงอะไรหมายทางพอดีของพอดีนั้นมีความสำคัญถ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดความพอดีใช้ไม่ได้ ไม้ที่จะตัดเป็นบ้านขาดความพอดีก็เป็นบ้านไม่ได้จีวรเสื้อผ้าตัดยาวไปสั้นไปก็ใช้ไม่ได้อาหารมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้ความเพียรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้มัชิมาทางกลางคือขจัดสิ่งที่ไม่พอดีให้พอดีนั่นเองการมาสุปคัลลิกานุโยคคือการปฏิบัติ ตกไปในทางรักอตตะกิละมัฐานุโยคคือตกไปในทางชังนี่คือการไม่พอดีทำสมาธิหลงไปในความสุขก็ตกไปในทางรักทำสมาธิไม่ดีในบางคราวเศร้าใจตกไปในทางชังการขจัดเสียซึ่งส่วนทั้งสองนั้นคือการเดินเข้าสู่อริยมรรคการถึงอริยมรรค นั่นคือการถึงต้นบัญญัติการถึงต้นบัญญัติคือการถึงพุทธะยาขนาด น, นี้เองเป็นยาขนาดแรกที่ท่านอาจารย์มั่นส่งให้ข้าพเจ้าฉันมันช่างเป็นขนาดที่หนักเอาการแต่เป็นธรรมะที่ซาบซึ้งตรึงใจเป็นที่สุดพระอาจารย์มั่นภูริทตาเถระเป็นพระปรมาจารย์ทางกรรมฐาน ท่านได้แสดงความสามารถในด้านนี้อย่างสูงทุกประการตามความเป็นจริงก็ปรากฏอย่างไม่มีสิทธิ์คนใดจะกล้าปฏิเสธคุณธรรมต่างๆที่ได้รับปรากฏขึ้นนั้นฝังอยู่ในดวงจิตของผู้เป็นสิทธิ์อย่างไม่มีการเลื่อนลงังเป็นความจริงเหลือเกินที่ว่าท่านได้ฟื้นฟู ก, การปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาจนเป็นที่รับรองจากปัญญาชนทั้งหลาย ผลประโยชน์เกิดจากการฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมปรากฏอยู่แก่ผู้ที่น้อมตัวเข้าเป็นสิทธิทั้งในอดีตและปัจจุบันแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าท่านเพียงแต่เป็นชั้นหลานเหลนหรือเพียงอ่านประวัติของท่านก็ทําให้เกิดความเลื่อมใสยอย่างซาบซึ้งปรึงใจแล้วการอ่านประวัติของท่านอาจารย์มั่นผู้อ่าน ควรจะได้ตระหนักถึงข้อปฏิบัติปฏิปทาอันจะได้นํามาเป็นตัวอย่างที่จะทําให้เกิดประโยชน์มากทีเดียวเพราะท่านได้ทําตัวของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศ ก, กับทั้งยังมีความเมตตาต่อนักบวช ด, ด้วยกันอย่างมากที่สุดมองเห็นการไกลได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าใครจะเขียนให้ใกล้ความจริงเป็นที่สุดซึ่งแม้จะเป็นยาขมบ้างเข้าใจว่าอาจจะแก้โรคให้แก่ท่านในภายหลัง เพราะยาขมใครก็ไม่อยากรับประทานจะรับประทานก็ต่อเมื่อถึงคราวจำเป็นแต่ยาขมก็ได้ช่วยชีวิตมนุษย์มาแล้วมากต่อมากไม่ใช่หรือสถานะเดิมท่านเกิดในตระกูลแก่นแก้วบิดาชื่อคำดวงมารดาชื่อนางจันทร์ เกิดวันพระฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงอําเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องอยู่เก้าคนแต่เจ็ดคนนั้นได้ถึงแก่กรรมคงเหลือสองคนท่านเป็นคนหัวปีท่านมีร่างกายสง่าผ่าเผยหน้าตาคมสันเป็นลักษณะน่าเคารพบูชาเป็นผู้รักการรักงาน เป็นที่ไว้วางใจได้ในการงานที่ได้รับมอบหมายจึงเป็นที่รักแก่บิดามารดายอย่างยิ่งท่านได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยไทยน้อยขอมจากสำนักอาได้ศึกษาความรู้จนอาออกปากชมว่าฉลาดมากเมื่ออ่านหนังสือได้แล้วท่านก็ได้ค้นคว้าหนังสือประวัติศาสตร์และนวนิยายของภาคอีสานเขาเรียกกันว่าลาพื้นลาแผ่น เมื่อผู้เขียนอยู่กับท่านท่านจะเล่าถึงนิยายเก่ามีอันเป็นคติมากเป็นธรรมดาอยู่เองของสังสารวัฏ ต, ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายการหมุนเวียนนี่แหละสําหรับผู้ดีมีวาสนาก็หากหาแต่ความดีเท่านั้นให้เป็นทุนในการท่องเที่ยวเมื่อพอแก่ความต้องการก็เท่ากับสะสมบุญมาก ซึ่งในมงคลคาถามีว่าปุกเพจกตะปุญญาตาผู้มีบุญทำไว้แล้วแต่ปางก่อนบุญย่อมผูกนิสัยให้ดีและชอบการพ้นทุกข์เสมอไปดังในปัจชิมภาวิกชาติของพระบ ร, รมศาสดาของเราทั้งหลายบารมีได้ส่งให้พระองค์ออกเป็นประชาสแสวงหาโมกขธรรมโดยเกิดขึ้นในพระหริยไทยของพระองค์เองจนกระทั่งให้สาเร็จพระโพธิญาณในที่สุด แม้พระสาวกทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อบุญติดตามผูกอุปนิสัยก็เป็นเหตุให้น้อมเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในขอบเขตของพระบรมศาสดาพ้นทุกไปพระอาจารย์มั่นภูริทตาเทระก็เห็นจะเป็นเช่นกับพระสาวกเหล่านั้นจึงมีเหตุปัจจัยแนะนําจิตของท่านให้น้อมไปเพื่อบรรพชาท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้17ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขาไปช่วยงานทางบ้านท่านก็ได้ลาสิกขาไปช่วยเต็มความสามารถในการนั้นแม้ท่านลาสิกขาไปแล้วก็ลาแต่กายเท่านั้นส่วนใจยังกรองเพศบรรพชิตจึงทําให้ท่านระลึกอยู่ไม่วายเป็นเพราะเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วท่านจึงเบื่อคารวาสวิสัยครั้นเมื่ออายุ22ปีจึงลาบิดามารดาอุปสมบท ท่านทั้งสองก็อนุญาตท่านได้เข้าไปเล่าเรียนธรรมะที่สำนักท่านอาจารย์เสากันตะศีละเทระวัดเลียบอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนาที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปัชฌายะพระครูสีทาชยาเสโน เป็นกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสยุยเป็นอนุสาวรนาจารย์เ <ME U TER S> มืม่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2 4 3สีามนามคตที่อุปชาตั้งชื่อภูริทัตโตท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบแต่จะพยายามหาทางก้าวหน้าเรื่อยไปแม้แต่ท่านบวดเข้ามาใหม่ ก็ไม่ใช่เพื่อบวชแล้วก็ฉันและจำวัดได้มาอยู่กับพระผู้ปฏิบัติก็อยากจะทำให้เห็นจริ ง, รงเห็นจังไปเสีเลยความไม่ชอบอยู่นิ่งของท่านนี่เองทํามิท่านต้องสักไซใตาถามหาความจริงเอากับท่านอาจารย์เสาอยู่ตลอดเวลาท่านได้รบเร้าให้อาจารย์สอนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นแต่อาจารย์ก็หมดความรู้จะสอนต่อไปท่านอาจารย์เสาท่านเ็นดูสิทธิคนนี้ของท่านอย่างยิ่ง เรียกว่าสิทธิ์คนโปรดก็ว่าได้ท่านจึงพาสิทธิ์ของท่านไปทุกผลทุกแห่งตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสวงหาความสงบแต่ก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่จึงได้พาทุ ด, ดงไปข้ามไปฟังประเทศลาวจนถึงเมืองหลวงพระบางเมื่อได้ยินได้ฟังว่าอาจารย์ไหนเก่งทางสอนกรรมฐานก็จะได้แวะไปพักอยู่และขอเรียนกรรมฐานด้วย แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยิงไปกว่าที่ท่านได้ปฏิบัติเรียนรู้มาแล้วที่สุดก็ย้อนลงมาที่เมืองท่าแขกอยู่ฝั่งซ้ายเขตอินโดจีนซึ่งเป็นภูมิประเทศอันประกอบด้วยป่าเขาลำเนาไพรมีหมูช้างเสือหมีผีร้ายนาน า, นาประการตลอดจนไข้มาเลเรียก็ชุกชุมแต่เป็นที่ประกอบไปด้วยความวิเวกวังเวงสงัดยิ่งนัก ซึ่งสมควรแก่ผู้แสวงหาบําเพ็ญสมณธรรมอยู่อาศัยจะได้อย่างความไม่ประมาทให้เป็นไปในตนปีนั้นท่านได้พักบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับบ้านถา้ำท่านทั้งสามได้พักจำพรรษาอยู่ที่นั้นในระหว่างพรรษานั้นท่านอาจารย์เสาและสามเณรได้จับไข้ามาลาเรีย มีอาการหนักบ้างเบาบ้างก็ไม่ถึงกับร้ายแรงจริงท่านอาจารย์มั่นท่านได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าวันหนึ่งมีคณะอุบาสกอุบาสิกาได้นำผ้ามาบางสุกุลท่านอาจารย์สาวจะต้องการตัดจีวรเราก็ต้องจัดทำทุกอย่างกว่าจะเย็บเสร็จเพราะต้องเย็บด้วยมือใช้เวลาถึงเจ็วันจึงเสร็จพอยังไม่เสร็จดีเลย ใครมันเกิดมาจับเอาเราเข้าให้แล้วทำให้เราต้องเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในใจว่าเนนก็ไข่อาจารย์ก็ไข่เราก็กลับจะมาไข่ซะอีกถ้าต่างคนต่างหนักใครเล่าจะดูแลรักษากันถ้าเกิดล้มตายกันเข้าใครจะเอาใครไปทิ้งไปเผากันเล่าเจ้ากรรมเอ๋ยอยู่ด้วยกันสามองก็เจ็บป่วยไปตามๆกันยิ่งกว่านั้นอาจารย์ของเรานั่นแหละ จะร้อนใจมากท่านอาจารย์มัน่นท่านก็เล่าต่อไปว่าเราได้คิดมานะขึ้นมาในใจว่าบัดนี้เราไม่มีทางเลือกทางอื่นแล้วที่จะมาระ ง, งับเวทนานี้ได้เราะยาจัชชันแก้ไข้ก็ไม่มีเลยมีแต่กำลังอนุภาพแห่งภาวนานี้เท่านั้นเพราะว่าเรามาอยู่สถานที่นี้ก็เพื่อจะอบรมตนในทางเจริญกรรมฐานภาวนา เราจะมาคิดแสสายไปทางอื่นหาควรไม่เราต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่งจึงจะถูกแม้จะตายขอให้ตายด้วยการภาวนาไม่ต้องท้อถอยอ่อนแอจะต้องเป็นผู้กล้าหาญจึงจะจัดว่าเป็นนักรตได้แล้วเราก็ตัดสินใจปฏิบัติบูชาพระพุทธศาสนาด้วยข้อปฏิบัตินั้นท่านจึงกำหนดพุดโทโธเป็นบริกรรมต่อไปเพราะขณะนั้น ท่านก็ยังไม่สันทัดในการเจริญกรรมฐ า, านเท่าไรรันบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็นึกถึงคำสอนของอาจารย์ขึ้นมาว่ากายนี้เป็นที่อาศัยของจิตและเป็นทางเดินของจิตเปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมมีทางน้อยใหญ่เป็นที่สัญจรของหมูสัตว์ทุกหมูเหลา่ากายนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตและเป็นที่เที่ยวไปมาของจิตฉันนั้น ถ้าจิตมามัวยึดถือกายนิว่าเป็นตนอยู่เมื่อใดยอมได้รับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นนิดท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ฟังกันหลายองค์ว่าเมื่อหมดหนทางเพราะไม่มีใครช่วยแล้วเรานั่งสมาธิเข้าที่อยู่ในการเสียสละกำหนดจิตแล้วทำความสงบ ทำให้หนึ่งแน่วแน่ไม่ให้ออกนอกเป็นอารมณ์ได้เลยเพราะขาดนั้นทุกขเวทนากล้าจริงๆรพอกำหนดความเป็นหนึ่งนิ่งจริงๆครู่หนึ่งปรากฏว่าศีรษะลั่นเปรียบระไปหมดจนเงื่อไหลออกมาเหมือนรถน้ำเมื่อออกจากสมาธิปรากฏว่าไข้ได้หายไปราวกับปลิดทิ้งนี่เป็นระ ง, งับอาพาธด้วยธรรมโอสถเป็นครั้งแรกของเรา เราได้พยาบาลอาจารย์ของเราได้เต็มที่ได้การเดินทางในครั้งนี้นั้นได้เป็นเช่นนี้หลายหนบางครั้งมาเลืเรียขึ้นสมองแทบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อลูกศิษย์อาจารย์ปรึกษากันเห็นว่าไม่มีผลในการเดินทุดงอันทุระกันดานเช่นนี้แล้วต่างก็ชวนกันกลับประเทศไทย หมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับเพราะว่าจำเป็นมาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หลายคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องพลังทางจิตอาจจะไม่เชื่อและหรื อ, เ ช, อเชื่อก็เชื่อแบบขาดปัญญากลายเป็นความงมงายซึ่งจะทำให้หลงผิดเป็นมิจฉาทิฐิได้จึงของนำตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่ฝรั่งเขาพยายามพิสูจน์กันมานานและยอมรับแล้วระดับหนึ่งว่าจิตมีพลังมากกว่าที่คิดนะครับ การสะกดจิตในระดับลึกมีการทดลองเอาดินสอขีดที่แขนแล้วบอกว่าเป็นไฟปรากฏว่าเกิดรอยไหม้ขึ้นจริงๆการใช้น้ำเกลือฉีดเข้าร่างกายผู้ต้องหาโทษประหารปรากฏว่าตายจริงและเกิดอาการทรมานทุรนทุรายด้วยนี่เกิดขึ้นได้เพราะจิตมีพลังและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นได้เกินกว่าที่เราคิดคนที่ท่องไว้เสมอว่าเราแก่แล้วเราแก่แล้วสมองก็จะฟอ จะคิดอะไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วก็จะแก่เร็วกว่าคนรุ่นเดียวกันจริงๆคนที่ท่องทุกวันว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรก็ตามวันหนึ่งก็จะเกิดเป็นโรคนั้นขึ้นมาได้จริงเรื่องพวกนี้คล้ายทฤษสียาหลอกเครื่องหลางของคลังในบางครั้งรวมถึงเบอร์มงคลเลขมงคลสารพัดความเชื่อนะครับแม้ไม่ได้มีฤทธิ์อะไรนั่นก็เข้าข่ายหนึ่งในการกระตุ้นจิตใต้สานึก ให้เกิดกำลังใจฮึดสู้น้อมนึกไปในทางที่ดีซึ่งมีผลให้เกิดสิ่งดีๆหรือหายป่วยได้ในบางคนที่การค้าขายดีได้อะไรดีๆอาจเพราะจิตที่มีกำลังใจดีส่งผลให้การแสดงออกทางสีหน้าการกระทาการคิดการพูดความมั่นใจไปในทางที่ดีจึงดึงดูดคนดีเข้าหากล้าตัดสินใจค้าขายใครเห็นก็อยากเข้ามาอุดหนุน เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับทั้งด้วยหลักจิตวิทยาและด้วยหลักพลังงานทางจิตที่ยังต้องการพิสูจน์ในระดับลึกกันอีกมากร่างกายคนเราปกติสามารถรักษาตัวเองได้ในชนิดที่เกินความคาดหมายแต่ต้องเข้าถึงจิตในระดับลึกดึงพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาให้ได้ก่อนนะครับการดึงมาใช้ได้แค่ไหนก็ส่งผลได้ตามระดับของพลังจิตที่เข้าถึง การเป็นไข้แล้วตัวร้อนนั่นเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ของร่างกายตามปกติที่ร่างกายต้องการให้เชื้อโรคตายไม่ขยายตัวเพราะเมื่อร่างกายร้อนเกินปกติมันจะมีผลกับเชื้อโรคโดยตรงซึ่งหลายคนแค่เกิดอาการตัวร้อนนิดร้อนหน่อยก็กินยาดักหรือกินยาเคมีลดไข้แก้ปวดที่สุดท้ายแล้วมีผลทำลายตับได้มากรวมถึงไปทาลายระบบการรักษาซ่อมแซมตัวเองด้วยนะครับ คนที่เป็นไข้นั้นจริ ง, รงๆแล้วกินยาไทยยาจีนยาสมุนไพรดีกว่าเยอะหลายท่านคงไม่ทราบนะครับว่าคนจํานวนมากที่ป่วยง่ายแพ้ง่ายหรือป่วยอีกหลายโรคนั้นเกิดจากการพอกินยาดักหรือกินยาเคมีลดไข้แก้ปวดโดยไม่จําเป็นแทบทั้งนั้นในเรื่องของพระอาจารย์มั่นนั้นจะเห็นได้ว่าท่านทําสมาธิเข้าถึงจิตในระดับลึกและดึงพลังมาใช้รักษาตัวท่านเองจนเกิดร้อนเหงื่อออกเป็นน้ํา นี่ก็เป็นการรักษาตัวเองที่เป็นเรื่องปกติจึงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเชื่อไม่ได้หรือเกินความจริงที่จะทำได้และก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปและสร้างสารสำคัญหลายชนิดออกมาได้ด้วยผลจากพลังทางจิตของแต่ละคนนั้นที่พิสูจน์กันได้แล้วก็เช่นเมื่อมีความสุขมากจิตมีเมตตาสูงจะหลั่งออกซิโตซินเอนโดฟิน และสารพัดสารที่ส่งผลให้สุขภาพดีผิวพรรณผ่องใสแต่ถ้าจิตที่กำลังเครียดโกรธแค้นโลภจัดกิเลสหนาก็จะหลั่งสารหลายชนิดออกมาทำร้ายตัวเองทำให้แพ้ง่ายแก่ง่ายป่วยง่ายรักษาหายยากและมองโลกในแง่ร้ายเกิดเป็นต้นเหตุของโรคตามมาอีกมากมายในอนาคตเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์กาลังพิสูจน์ได้เรื่อยๆนะครับจึงควรศึกษาและเปิดใจไว้รับข้อมูลใหม่ อย่าด่วนเชื่อแบบงมงายและอย่ารีบปฏิเสธโดยไม่ยอมหาความจริงศา ส, สนาพุดธเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าปริททางใจพลังจิตจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับไม่เชื่อก็ต้องศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่ไม่ยอมเปิดใจศึกษาแล้วก็สักแต่ว่าจะไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้นะครับว่าเหมือนคนตาบอด ที่ใครบอกว่ามีสีเขียวสีแดงก็ไม่ยอมเชื่อเพราะตนเองเห็นไม่ได้ไม่เคยเห็นแต่แม้จะยอมเชื่อก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าสุดท้ายแล้วสีแดงสีเขียวสีหลายอย่างต่างกันอย่างไรขออธิบายเสริมเพราะมีความจำเป็นมากต่อคนรุ่นใหม่ที่ทุกวันนี้กลายเป็นคนไม่มีศาสนาจำนวนมากขึ้นนะครับเหตุเพราะการเผยแพร่ธรรมที่ใช้ศรัทธานลาผิดทางกันมาก จนกลายเป็นกลบแก่นของพุทธแท้ไปเกือบหมดแถมหลายเรื่องหากไม่อธิบายด้วยเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์หรือที่พอจะเข้าใจได้โดยไม่ยากก็จะยิ่งทําให้เด็กรุ่นใหม่มองว่าศาสนาและเรื่องเล่าพวกเนี้เป็นเพียงนิยายหลอกให้ทําความดีจึงปิดโอกาสเข้าถึงธรรมของพวกเขาและกลายเป็นมิจฉาทิฐิอันเป็นภัยร้ายแรงมากอย่าว่าแต่เด็กรุ่นใหม่เลยนะครับตัวผู้อ่านเองเคยเจอแม้กระทั่งพระ แม้แต่คนที่ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจังก็ยังคิดว่าหลายเรื่องนั้นเป็นเพียงกุสโลโบายหลอกให้ทำความดีเท่านั้นยุคที่เทคโนโลยีเจริญเราต้องสอดแทรกข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปเสมอเพื่อให้เขาเข้าใจให้ถูกอันเป็นการรักษาพระศาสนาให้ยืนนานขึ้นได้การเผยแผ่ธรรมแต่ละยุคนั้นจำเป็นต้องอธิบายมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป คนยุคพุทธกาลท่านไม่ต้องฟังอะไรมากนะครับก็เข้าใจเพราะปัญญาบา ร, รมีท่านพร้อมน้อมใจเข้าหาแก่นเพื่อดักกิเลสไม่ติดมาอยู่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรจนกลายเป็นไม่ยอมเชื่อเนื้อหาในคมพีเลยในปัจจุบันหรือหลายคนก็กลายเป็นมหาใบาลานเปล่าคือศึกษาท่องจําแต่ไม่เข้าใจเข้าใจผิดจากความจริงไปไกลจึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีศรัทธาและเจตนาดีมาแต่แรก แต่สุดท้ายก็หลงทางไปไกลจนญาจะหาคนมาดึงสติให้กลับมาตรงทางได้นะครับการเผยแผ่ธรรมที่ดีที่สุดต้องทำให้ตัวเองเข้าใจก่อนแล้วนำสู่ลูกหลานคนรอบข้างในแบบที่เหมาะกับวัยของเขาด้วยธรรมะไม่จํากัดการนั่นเป็นเรื่องจริงแต่การอธิบายให้เหมาะกับการก็จำเป็นที่ต้องใส่ใจและทาให้เหมาะสมด้วยนะครับแม้โลกจะเปลี่ยนไป แตธรรมะคำสอนหลักต้องไม่เปลี่ยนนะครับมีแต่ว่าควรจะเพิ่มการอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแต่ไม่ใช่จะมาอ้างว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วตัดบางอย่างออกทาอย่างนี้ได้ทาอย่างนั้นไม่ได้แต่จะอย่างไรก็ดีนะครับการอธิบายธรรมไม่ว่ายุคไหนก็ต้องอยู่ในแกนของศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นด้วยกรรมบทสทิที่ต้องละเมิดไม่ได้และอยู่ในหลักที่ว่า การปฏิบัติเชื่อถือสิ่งนั้นต้องทําให้กุศลเจริญขึ้นเพื่อการดับกิเลสเห็นไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของจิตและกายนี้อันนี้เป็นหลักคร่าวๆที่ควรจะนํามาคิดพิจารณาให้มากนะครับต้องกราบขออาภัยครูบาอาจารย์ที่ได้สอดแทรกความคิดเห็นในส่วนนี้ไว้ด้วยเพียงหวังว่าจะรักษาพระศาสนาให้ยืนนานที่สุดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่อธิบายเพิ่มจะมีผลต่อคนรุ่นใหม่ และคนที่ยังไม่มีเวลาศึกษาได้จริงจังจนแม้กระทั่งถึงคนที่เชื่อและศรัทธาก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะได้เชื่อมั่นแบบถูกทางจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับสถาปนาพระาธาตุพนม ท่านอาจารย์มั่นได้เล่าขณะที่ข้าพเจ้าตำห ม, มาถวายท่านเวลากลางวันต่อไปอีกว่าพวกเราก็ต้องเดินทางหลังจากออกพรรษาแล้วรอนแรมตามฝั่งแม่น้ําโขงเรื่อยลงมาณนะตามฝั่งแม่น้ําโขงนั้นก็มีหมู่บ้านเป็นหย่อมๆหลายกอกเช่นภูไทยไทยดําลาวโซงท่านเล่าว่าภูไทยมีสะทาดีกว่าทุกกอก แต่ภูไทยนี้การภาวนาจิตใจอ่อนรวมง่ายรักษาไม่ใครเป็นส่วนลาวโซ้งนั้นไม่ค่อยเอาไหนเลยแต่ทุกทุกกก็ทำบุญนับถือพุทธทั้งนั้นเขาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ก็นับว่าดีแต่ขณะนี้ตัวของเราเองก็ยังมองไม่เห็นธรรมะของจริงยังหาที่พึ่งแก่ตนยังไม่ได้จะไปสอนผู้อื่นก็เห็นจะทำให้ตัวของเราเนื่นช้าจึงไม่แสดงทําอะไร นอกจากเดินทางไปพักไปบำเป็นสมณธรรมไปตามแต่จะได้ครั้นแล้วท่านอาจารย์สาวก็พาข้ามแม่น้ำโขงกลับประเทศไทยที่ท่าข้ามตรงกับพระาธาตุพนมพอดีท่านเล่าไปเคี้ยวมากไปอย่างอารมณ์ดีว่าขณะนั้นพระาธาตุพนมไม่มีใครเหลียวแลดอกมีแต่เทาวันนานาชนิดปกคลุมจนมิดเหลือแต่ยอดต้นไม้รกรุงรังไปหมด ทั้งสามสิทธิ์อาจารย์ก็พากันพักอยู่ที่นั่นเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมขณะที่ท่านอยู่กันนั้นพอตกเวลากลางคืนประมาณ 4-5 ห้าทุ่มจะปรากฏมีแสงสีเขียววงกลมเท่ากับลูกมะพร้าวและมีรัศมีสว่างเป็นทางพุดออกจากยอดพระเจดีย์แล้วก็ลอยหางออกไปจนสุดสายตาแต่เมื่อถึงเวลาก่อนจะแจ้ง ตี3ถึงตีสี่แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึงองค์พระเจดีแล้วก็หายวับเข้าองค์พระเจดีไปทั้งสามองค์สิทธิอาจารย์ได้เห็นประจักษ์เช่นนั้นทุกๆวันท่านอาจารย์เสาวกันตาศีลเทระจึงพูดว่าที่พระเจดีนี้ต้องมีพระบรมส า, ศาศรีริกธาตุอย่างแน่นอนในตอนนี้ผู้เขียนกับพระอาจารย์มั่น ได้เดินทุดงมาพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วมีสององค์เท่านั้นและมีตาประขาวตามมาด้วยหนึ่งคนท่านจึงมีโอกาสเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีผู้เขียนได้จำว่าเป็นปีที่พระราชทานเพลิองศพพระอาจารย์เสากันตะศิลาเทระคุณนายพวงจากจังหวัดอุบลราชธานีจะตีตัวให้ไปทางเครื่องบินท่านบอกว่าเราจะเดินเอา จึงได้พาผู้เขียนพร้อมด้วยตาประขาบ้องบ้องคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะเต็มแต่งเท่าไรนักไปด้วยเดินไปพักไปแนะนาธรรมะแก่ผู้เขียนไปพลางจนไปถึงพระาธาตุพนมเขตจังหวัดนครพนมและท่านก็พาผู้เขียนพักอยู่ที่นี่และได้ฟังเรื่องราวของพระาธาตุพนมซึ่งจะได้เล่าสู่กันฟังต่อไปข้างหน้าโดยจะเล่าถึงการสถาปนาพระาธาตุพนม ท่านอาจารย์มันได้เล่าต่อไปว่าดังนั้นท่านจึงได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายในละแวกนั้นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและส่วนมากก็เป็นชาวนาได้มาช่วยกันถากถางทําความสะอาดรอบบริเวณองค์พระเจดีย์นั้นได้พาญาติโยมทําอยู่เช่นนี้ถึงสามเดือนเสศษ จ, จ, จึงค่อยสะอาดเป็นที่เจริญหูเจริญตามาตราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อญาติโยามทำความสะอาดเส ร, ร็จแล้วท่านอาจารย์ก็พาญาติโยมในละแวกนั้นทำมาฆบูชาซึ่งขณะนั้นผู้คนแถวนั้นยังไม่รู้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างจริงจังจนได้ชักชวนกันมารักษาอุโบสถฝึกหัดกรรมฐานทำสมาธิกับท่านอาจารย์จนได้ประสบผลตามสมควร การพักอยู่ในบริเวณพระาธาตุพนมนี้ทำให้จิตใจเบิกบานมากและทำให้เกิดอนุสรณ์รำลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างดียิ่งท่านอาจารย์มันได้เล่าต่อไปว่าก่อนท่านจะกลับประเทศไทยท่านเป็นโรคฤทธิ์ศีดวงจมูกประจำตัวมานานโรคนั้นมักจะกำเริบบ่อยๆจึงทำให้ท่านกำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่ท่านกำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์อย่างไม่ได้ท้อถอยนั้นวันหนึ่งจิตของท่านได้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขณะที่จิตถอยออกจากอัปปนาสมาธิแล้วได้ปรากฏความรู้ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นมาว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากกรรมในปัจจุบันเนื่องจากได้กระทํากรรมไว้ และเมื่อได้พิจารณาตามรูปเรื่องจนเห็นสมตามความรู้นั้นทุกประการแล้วจิตก็รวมลงเป็นอั ป, ปนาสมาธิอีกเรานี้ปรากฏว่ามีอีกาตัวหนึ่งมาจับอยู่บนศีรษะและมันก็เอาจะงอยปากจิกกินจมูกของท่านจนหมดไปตั้งแต่นั้นมาโรคฤทธิ์สีดวงจมูกของท่านก็หายเป็นปกตินี่เป็นการระ ง, งับความอาพาธด้วยธรรมโอสถเป็นครั้งที่สอง จากนั้นท่านทั้งสามก็ได้ออกเดินทางจาริกต่อไปและสแสวงหาความสงบตามป่าดงพงผีไปเรื่อยๆโดยมุ่งหวังเพื่อบรรลุธรรมแต่ก็ยังไม่สมความตั้งใจไว้ต่อมาพระอาจารย์เสาก็พากลับจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นถิ่นเดิมของท่าน พุทธศกราช 2-4-5-4 หการสแสวงหาธรรมะต่อไปในประเทศพมา่าความไม่หยุดยัง้งมุ่งหวังหาความจริงเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสโดยทุกทางของพระอาจารย์มั่นเป็นไปอย่างไม่คอยเวลาแม้จะต้องใช้เวลาปีแล้วปีเล่าในการมุมานะแทบว่าจะหมดหนทางอยู่แล้วก็ตาม แท้จริงพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนเลยมีแต่การที่จะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติให้ได้ผลเท่านั้นเพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านต้องการสแสวงหาความจริงที่ไม่มีความวิปริตท่านเองปฏิบัติพระอาจารย์พาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งแนวทางแต่ท่านก็ยังรู้สึกตัวเองว่า ยังไม่พบความจริงยังไม่เป็นที่พอใจท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังซึ่งขณะนั้นพักอยู่ที่บ้านนาศีนวลตานนําบลหนองเฮียนอําเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครในโอกาสที่ผู้เขียนกําลังถวายนวดเป็นประจําคือในตอนเช้าหลังจากฉันพัทหารเสร็จแล้วก็เริ่มนวดถวายไปจนถึง11อนาฬิกาตอนกลางคืนหลังจากเดินจงกรมแล้ว สองทุ่มเศษถวายนวดจนถึงห้าทุ่มหรือกว่านั้นโอกาสที่เล่าถึงการไปทุดงที่ประเทศพม่าครั้งนี้ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษว่าเราอาจจะมีโอกาสไปสักครั้งบ้างจึงทําให้ผู้เขียนพยายามจดจําการเล่าของท่านซึ่งท่านเองอาจจะรู้จักใจของผู้เขียนที่มีความสนใจและตั้งใจท่านจึงได้เล่าให้ฟังโดยละเอียดทีท่วนใช้เวลาหลายวัน และผู้เขียนเองก็พยายามซักถามท่านอยู่เสมอจึงทำให้เกิดรสชาติขึ้นอีกมากในปีพุทธศักราช2454หท่านอาจารย์มั่นอุริทัตะเทระท่านก็ได้พบเพื่อนสหธรรมิกอีกหนึ่งองค์และมีชื่อว่ามั่นเหมือนกับชื่อของท่านโดยเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามอำเภอปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพคือประเทศมงคลปัญญาจารย์ท่านอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณเทพมงคลปัญญาจารย์ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะต้องถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเดินธุดงสแสวงหาที่วิเวกเมื่อตกลงสละชีวิตร่วมกันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่มีจุดหมายไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นประเทศอะไร จะต้องมีหนังสือเดินทางข้ามแดนหรือไม่ก็ตามเพราะถือเอาการอยู่ป่าเป็นสาคัญเห็นที่ไหนเหมาะดีก็อยู่ทําความเพียนไปแต่พอจะเกิดความเคยชินก็เดินทางต่อไปอีกเมื่อท่านทั้งสองเดินทางข้ามภูเขาไปแต่ละลูกแต่ละลูกนั้นเป็นภูเขาที่สูงชันน่ากลัวทั้งสิน้ขนขณะที่ไปก็พบแต่พวกชาวเขาพูดกันไม่รู้เรื่อง ท่านเล่าว่าดีมากที่ไม่รู้ภาษากันมีแต่เพียงว่าเขาให้อาหารแก่เราพอประทังชีวิตก็พอแล้วในที่ท่านทั้งสองกำลังเดินทางข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าก็ถึงเมืองห่างเขตพมา่าพวกชาวบ้านเป็นไทยใหญ่เป็นส่วนมากพวกเขาพอรู้ภาษาไทยบ้างเล็กน้อยพวกชาวบ้านเห็นเขาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ท่านก็พักชั่วคราว ตามที่ท่านสังเกตดูพวกเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมดีเวลาเข้าขายของกันนั้นเจ้าของร้านบางทีก็ไม่อยู่เฝ้าหน้าร้านเขาเขียนราคาติดสิ่งของไว้เสร็จคนซื้อไม่เห็นเจ้าของร้านก็เอาเงินวางไว้ให้แล้วหยิบเอาของนั้นไปตามราคาการลักการขโมยไม่มีผู้คนมีรูปร่างหน้าตาสะอาดท่านรำพึงว่าธรรมะอะไรหนา ที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีศิลธรรมอันดีงามน่าแปลกใจจริงเพื่อการสแสวงหาเฉพาะธรรมะเท่านั้นท่านทั้งสองจึงไม่พยายามที่จะสอนใครและหาความสนิทสนมกับใครๆเราต้องการปฏิบัติมากกว่าอันแดนพม่า ก, กับแดนไทยนี้ท่านเล่าว่ามันเกีดกันด้วยภูเขาลูกใหญ่จริงๆ ไม่เหมือนทางภาคอีสานของไทยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วภูเขาลูกเล็กๆทั้งนั้นเสือช้างงูจงอางมีวัวกระทิงท่านอาจารย์ไม่พบบ้างเหรอผู้เขียนถามท่านตอบว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกตลอดระยะทางก็มีแต่เฉพาะพวกมันทั้งนั้นก็เข้าไปป่าทึบซึ่งเป็นเขตของมันแม้แต่พวกเราจะจำวัดในป่ากันสององค์ก็ไม่อยู่ใกล้กันเสียงช้างและเสือเน่ะเหรอ ชินต่อพวกมันเสียแล้วแม้แต่จะเดินสวนทางผ่านกันไปก็ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้การเดินทางของเราทั้งสองคราวนี้มีได้มีการสนทนาธรรมเท่าใดเพราะต่างเอาความเพียรเป็นสำคัญเมื่อจะพึงได้รับความสงบเย็นใจก็ถือว่าใช้ได้บางครั้งเดินไปเหนื่อยหยุดหยุดทำไมนั่งสมาธิ ถ้าไม่พบบ้านเรือนเลยก็ต้องอดอาหารก็เทวดาไม่ใส่บาตรหรอครับผู้เขียนย้อนถามเทวดาก็คือคนใจบุญเห็นมิแต่ต้นไม้จะมีเทวดาที่ไหนมาใส่บาตรเราทั้งสองอดอาหารด้วยการเดินทางบางครั้งนานถึงสมวันเพราะไม่มีบ้านคนดื่มเฉพาะน้ําแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเราแต่อย่างใดเลยมันเป็นความพอใจ จึงไม่เห็นจะเป็นการหนักใจอะไรเข็มทิดก็ไม่มีการเดินทางมิหลงแย่หรอครับผู้เขียนซักถามเราก็ถามชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆไปถูกผิดบ้างตามเรื่องส่วนการผจญกับสัตว์ป่านอะหรอก็ไม่เห็นเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อะไรเลยวิริยังในพรานป่าพวกเขาไปตามป่าดงพงผีพบงูฆ่า ง, งูพบเสือฆ่าเสือพบช้างฆ่าช้าง นอนกลางดงกลางป่าไม่เห็นเขาจะกลัวอะไรพวกพรานทั้งหลายซึ่งเป็นนักล่าสัตว์เข้าปะจนกับพวกสัตว์ร้ายมากกว่าเราเราไม่จําเป็นจะต้องถือว่าการปะจนกับพวกสัตว์ร้ายเป็นเรื่องสําคัญเราถือว่าการปฏิบัติที่เรากําลังจะต่อสู้กับกิเลสภายในนี่แหละสําคัญกว่าการเดินทางอย่างธุระกันดารและยาวไกลคราวนี้ก็ทําให้เกิดผลทางใจแก่เราไม่น้อยเลย เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาในทางใจขึ้นอีกมากท่านก็พยายามหาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานหลายต่อหลายท่านตามทางที่ไปจนถึงพระธาตุเวดากงซึ่งใช้เวลาทั้งหมดถึง8เดือนแต่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจและก็ไม่ผิดอะไรกับที่ไปประเทศลาวจึงทำให้ท่านคิดจะกลับประเทศไทยต่อไปอี ตามข่าวเล่าลือว่าอาจารย์ที่ประเทศพมานี้เก่งในทางการสอนและปฏิบัติกรรมาฐานมากท่านได้สาะแสวงหาตั้งปัญหาถามทุกอย่างคำตอบยังไม่เป็นที่พอใจเพราะเหมือนกับที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้มิได้ยิ่งขึ้นไปแม้เราจะถามให้สูงขึ้นซึ่งอัฐปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางใจแต่เราก็ไม่มีปัญญาเรามีความรู้เท่าไรก็ถามเขาเท่านั้น มีใจถามเพื่อการลองภูมิเหมือนกับคนทั้งหลายที่อวดดีถามเพื่อจะแก้ตัวเองเมื่อไม่มีความรู้ที่จะถามถามก็แค่ที่เรามีอยู่มันก็จนใจและก็ไม่เห็นค่ามีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปถ้าหากว่าเราจะพึงได้รับความรู้ก้าวหน้าต่อไปอีกเราก็เห็นจะไม่ห่วงอะไรข้างหลังเลยเพราะไม่เห็นมีอะไรจะให้ห่วงดังนั้น เราทั้งสองจึงตัดสินใจกลับปีนี้กลับโดยการเดินไม่ทันเสียแล้วจึงต้องจำพรรษาอยู่ที่บนเขาแห่งหนึ่งในเขตเมืองมะละแมงเป็นเพียงสำนักสงมีพระอยู่องค์เดียวเมื่ออาศัยอยู่ที่นั้นมีกุฏิที่กำบังแดดฝนถูกต้องตามพระวินัยนิยมก็เร่งความเพียรไปตามที่พอจะทำได้นับเป็นการเดินทางผจญภัยและหยุดจำพรรษาพักผ่อน ทั้งสองก็ปรึกษากันว่าออกพรรษาแล้วจะไปประเทศไทยที่ไหนดีแต่ท่านมั่นบอกว่าพอแล้วผมจะกลับเข้ากรุงเทพส่วนพระอาจารย์มั่นเห็นว่าการปล่อยให้ท่านมั่นกลับเข้ากรุงเทพองเดียวคงไม่ดีแน่ท่านจึงได้ไปทรงและพักแรมอยู่ที่วัดสักระทุมด้วยกันครั้งนั้นพอดีมีคนเยอรมันสองคนมีศรัทธาเลื่อมใสใท่านมั่น ช่วยสร้างกุฏิถวายและรู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านเล่าว่าชาวเยอรมันที่มีนิสัยดีรู้จักบุญบาปมาทำบุญในประเทศไทยเท่ากับเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทีเดียวอา้าวก็ฝรั่งชาติอื่นละครับผู้เขียนย้อนถามก็เรายังไม่เคยเห็นเขาทำบุญเลยเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงเขา หลังจากนั้นท่านอาจารย์มั่นก็มุ่งทุดงองค์เดียวคราวนี้ไม่มีใครเป็นเพื่อนแล้วตรงไปยังจังหวัดเลยเพราะจังหวัดเลยมีภูมิลำเนาเป็นป่าใหญ่เป็นภูเขาและถ้าใหญ่ๆมากตามปกติถ้าใหญ่ๆท่านไม่ค่อยจะชอบท่านชอบถ้าเล็กๆมีภูเขาไม่ใคร้สูงนักพอขึ้นลงได้สบายจึงจะอยู่นาน ท่านจึงค้นพบถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำผาบิงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยณที่ถ้ำผาบิงนี้ต้องนับว่าเป็นสถานที่สัปปายะแก่ผู้บำเพ็ญความเพียรเป็นอย่างยิ่งซึ่งในขณะที่เขียนนี้พระอาจารย์หลุยซึ่งเป็นสิทคนสำคัญของพระอาจารย์มานุรูปหนึ่งได้อาศัยอยู่และกําลังพัฒนาให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าในครั้งแรกของการมาที่ถ้ำนี้หลังจากกรากรำมมาจากประเทศพม่าแล้วก็รู้สึกว่าจะรับความสงบมากพอสมควรการอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งแต่องค์เดียวจึงเป็นการทําความเพียรที่ได้ผลมากแต่ก็ยังไม่ได้ปัญญาหรือเป็นที่แน่ใจอย่างไรเลยเพระท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้ที่รักความจริงสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งหลอกลวงท่านไม่ชอบ ขณะที่ผู้เขียนนั่งฟังท่านเล่าได้ปรารภถึงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งนั้นว่าการเชื่อมงคลตื่นข่าวนี้ไม่ดีเลยยิ่งเป็นพระภิกษุสามนเณรในพระพุทธศาสนาทำว่าตนไปอยู่ถ้ำอยู่เขาหวังเพื่อให้ดังและมีคนไปหามากนั่นคือพาให้เขาหลงขณะที่ท่านเล่านั้นมีพระอาจารย์รูปหนึ่งอยู่ที่ผูคอมีคนไปหามาก ท่านไม่ฉันข้าวอยู่แต่ในถ้ำท่านพระอาจารย์มั่นพูดกับผู้เขียนว่าพวกเธออย่าทำอย่างนั้นอย่าไปอยู่ถ้ำอยู่เขาให้คนแห่กันไปหามันบวแม่นหมายความว่ามันไม่ถูกท่านบอกนักบวชที่อยู่ถ้ำอยู่เขาเพียงต้องการวิเวกจะไปเที่ยวเปล่าประกาศไปหาพระในถ้ำให้เอกกระเริกนั้นผิดวิสัยเอยียว่าแต่ใครเลย แม้แต่อาจารย์ของข้าพเจ้าผู้เขียนเองก็ถูกท่านดุเอาตอนที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่วัดบ้านหนองผือท่านเคยพูดว่ากงมาเธอไปอยู่ถ้ำและเที่ยวทำโน่นทำนี่เขาเล่าลือมันบ่แม่นนะให้อยู่อย่างสงบจริงๆจึงจะถูกซึ่งผู้เขียนได้ยินมากับหูอย่างนี้แม้ท่านจะมาอยู่ที่ถ้ำผาบิงนี้นาน แต่ท่านก็พยายามหลบหลีกผู้คนที่จะมาเห็นตัวท่านว่าวิเศษดูเถอะแม้แต่กดของท่านท่านเล่าว่าเรายัางต้องการร่มจีนกลางแล้วเอาผ้ามุ้งมาย้อมกลักทำอย่างนี้ต้องการจะไม่ให้เขามาหาของขลังเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่พระทุดงท่านพระอาจารย์มั่นพยายามหลบหลีกการมีชื่อเสียงและชุมนุมชนวุ่นวาย ซึ่งตรงกันข้ามกับพระที่อยู่ท่ามป่าเขาเพื่อต้องการหาชื่อเสียงให้วุ่นวายไปเพราะพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นธรรมะป่าอะไรทำนองนั้นต้องการอยากจะหาชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยวิธีการต่างๆนานาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านรักความสงบโดยไม่เห็นแก่หน้าใครเลยใครจะมารบกวนความสงบของท่านไม่ได้ดูแต่วันหนึ่ง ท่านอยู่บ้านนามลเวลาเย็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่มีคุณโยมนุ่นจุวานนล์ขหาพดีจากจังหวัดสกล น, นครจะเข้าไปถวายสิ่งของและนมัสการเดินเข้าไปสามสี่คนเวลานั้นท่านยังต้องไล่ตะคอกให้ออกจากวัดไปโดยเร็วเพราะเวลานี้ต้องการความสงบอย่ามายุ่งจนคุณโยมต้องวิ่งหนีกลับกันจ้าละวันซึ่งผู้เขียนก็ได้เห็นมาด้วยตาตัวเอง นี่แหละจึงเห็นได้ว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ต้องการอามิ t h อันจะนำมาซึ่งการทําลายความสงบอันเป็นยอดปรารถนาคนโยมที่อ้างถึงนี้เป็นโยมที่เคยอุปถากมาตั้งแต่พระอาจารย์เสากันตาศีราเทระครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านที่ท่านอาจารย์มั่นจะเอาอกเอาใจแต่ท่านต้องขับไล่สายส่งไปประมาก่อกวนความสงบ ต่อมาภายหลังคุณโยมนุ่นก็ได้เข้าใจเรื่องนี้ดีจึงได้มานมัส ก, การในเวลาอันสมควรณนะที่ถ้ำผ่าบิ่งนี้ท่านบอกว่ายัางไม่สามารถจะแก้ความสงสัยของการปฏิบัติได้แม้ว่าจะคิดการดำเนินการปฏิบัติอย่างธุระกันดานแสนที่จะตรากตรำแล้วสงบก็ถึงที่สุดแล้ววิเวกก็ถึงที่สุดแล้ว นางสมาธิก็ถึงที่สุดแล้วเข้าป่าก็ถึงที่สุดแล้วเขาถ้ำไหนที่ใดก็ถึงที่สุดแล้วในที่สุดท่านก็เดินทางกลับมายัางวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีอีกเพื่อมาพบกับท่านอาจารย์เสาจากนั้นเมื่อท่านพักอยู่ที่วัดเลียบท่านก็พยายามทำความเพียรอย่างเต็มกำลังเพราะวัดเลียบในสมัยนั้นสงบสงัด ไม่พลุกพล่านเหมือนในปัจจุบันนี้สู่บินนิมิตเกิดขึ้นเหมือนกับธรรมะบันดาลโดยความที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประโยคพยายามอย่างจรโดเหนือจะดดใต้รอบฟ้าแดนดินก็ว่าได้ และยังไม่ได้สมดังความมุ่งหมายถ้าเป็นอย่างเราเราท่านท่านเห็นท่าจะต้องล้มเลิกการปฏิบัติเสียแล้วเพราะลำบากแสนสาหัสจริงๆท่านยังพูดกับผู้เขียนเสมอเสมอขณะที่ผู้เขียนตำห ม, มากถวายท่านตอนกลางวันว่าวิริออยังเอ้ยมันแสนสาหัสสาการจริงๆนาะเราได้ตรากตรำทํามาเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่ในกลางป่าดงพงไพรโดยไม่รู้ไม่เห็นอะไร มันสาหัสก็แสนสาหัสมันสากันก็แสนจะสากันแต่มันก็รำไรยอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราต่อสู้ไม่เคยกลัวและก็ไม่ถอยให้แก่มันแม้แต่ก้าวเดียวก็เป็นเหมือนกับธรรมบันดาลคือข้ามคืนวันหนึ่งขณะที่เราได้หลับไปแล้วแต่การหลับของเราในขณะนั้นก็เหมือนจะตื่นเพราะต้องกำหนดจิตให้มีสติไวเสมอเสมอ ท่านเล่าว่าเราก็ฝันไปว่าเราเดินออกจากบ้านไปตามหนทางแล้วก็เข้าสู่ป่าที่รกชัดมีทั้งหนามและไม้รกรุงรังท่านก็เดินผ่านป่า น, นั้นเรื่อยไปก็ได้พบกับต้นชาต้ตนหนึ่งที่ล้มตายมีกิ่งก้านผุไปหมดท่านก็ขึ้นบนขอนไม้ชาติที่ล้มนั้นปรากฏว่าเป็นขอนไม้ที่ใหญ่โตมากทีเดียวแม้ท่านขึ้นไปบนขอนไม้ชาติแล้ว จึงสังเกตดูก็รู้ว่าเป็นต้นชาที่ตายสนิทไม่มีทางจะงอกงามขึ้นมาได้อีกมองไปข้างหน้าเป็นท้องทุ่งเวงวางปลอดโปร่งกว่าทางที่ผ่านมาขณะนั้นปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากทางไหนไม่ทราบแล้วก็เข้ามาเทียบข้างขอนไม้ชาติที่ท่านกำลังยืนอยู่ท่านก็ขึ้นบนหลังม้าขาวนั้นทันที หมาก็พาท่านวิ่งห่อเต็มเหยียดไปกลางทุ่งพอสุดทุ่งก็พอดีพบตู้พระไตรปิฎกตั้งตระงานอยู่ข้างหน้าหมาก็หยุดลงตรงนั้นพอดีแต่ท่านไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกนั้นก็พอดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียก่อนครั้งเมื่อท่านตื่นขึ้นก็ได้ทบทวนตามเหตุการ์ต่างๆที่ได้สุบินนิมิตนี้เกิดความมั่นใจ และทำนายนิมิตนั้นตามลำดับว่าที่เราออกจากบ้านไปนั้นคือเราได้ออกจากความเป็นคารวาสแต่ไปพบป่ารคชัดแสดงว่าเราได้เดินทางไปแต่ยังไม่ถูกทางจริงจึงต้องลำบากอย่างหนักแต่การที่เราได้ขึ้นบนขอนไม้ชาติที่งอกอีกไม่ได้นั้นแสดงว่าเราอาจจะเป็นชาติสุดท้ายด้วยการแสวงหาธรรมะในทางที่ถูกต้องต่อไป ทุ่งว่างเป็นทางที่จะปลอดโปร่งในการที่จะดําเนินการปฏิบัติที่ไม่มีความลําบากนักการที่เราได้ขี่ม้าขาวหมายถึงการเดินไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วการไปพบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูตู้นั้นคือเราไม่ได้ถึงปฏิสัมพิธายานถ้าได้เปิดตู้นั้นดูก็คงแตกฉานกว่านี้ นี่เป็นเพียงพบตู้ก็ถึงเพียงปฏิสัมพิทานุศาสตร์มีการสอนผู้อื่นได้บ้างเท่านั้นเมื่อเหมือนบุญบรรดาลเช่นนี้ก็ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจขึ้นมาอีกมากในการที่จะดำเนินการปฏิบัติต่อไปท่านเล่าว่าจากนั้นท่านได้พยายามอยู่อย่างเดียวคือเมื่อจิตได้พลังเกิดความสงบและความแกร่งขึ้นในจิตนั้นแล้ว ท่านก็ไม่ให้มันสงบเหมือนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนนั้นถือเอาความสงบเป็นใหญ่แต่ตอนนี้ท่านพยายามที่จะกำหนดจิตพิจารณากายขะตายางหนักคือพิจารณากายท่านได้ใช้กระแสจิตกำหนดเข้าสู่กายทุกส่วนทั้งยืนเดินนั่งนอนให้จิตจดจ่ออยู่ที่กายตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่าย บางครั้งท่านเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่าท่านได้เดินลุยเหยียบไปบนร่างของคนตายซึ่งนอนเรียงราอยู่ทั่วไปการกระทำเช่นนี้ใช้เวลานานหลายเดือนทั้งก็รู้สึกว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมาบ้างซึ่งก็ไม่เหมือนเมื่อคราวทำจิตให้สงบไม่เกิดปัญญาเลยมีแต่อยู่เฉยสบายสบายก็สบายจริงแต่ก็ได้แค่สบายไม่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น อย่างบังเกิดความหวันไหวไปตามกิเลสอยู่ครั้งนี้รู้สึกว่าความหวันไหวตามอารมณ์ชักชะงักลงจึงปลงใจว่าน่าจะถูกผลทางแล้วกระมังวันหนึ่งท่านนิมิตเป็นอกคาหาขึ้นหมายความว่านิมิตในสมาธิเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้าห่างจากตัวท่านราวหนึ่งศอกอันหน้าเข้าหาท่าน ขณะนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งเข้ามากัดซากศพนั้นดึงเอาไส้ออกมาเคี้ยวกินอยู่เมื่อเห็นนิมิตปรากฏอย่างนั้นท่านก็กำหนดพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายสังเวชสลดมิได้ท้อถอยทําให้เห็นอยู่ทุกอิริยาบถแล้วก็กำหนดขยายส่วนต่างๆออกไปได้ตามความปรารถนาแม้จะกำหนดอย่างนั้นได้เต็มทั่วทั้งวัดและทั้งโลกก็ได้ หรือกำหนดให้ย่อยยับดับศูนไม่มีอะไรเหลือก็ทำได้เรียกว่ากำหนดให้เป็นไปตามความปรารถนาทุกอย่างท่านได้พิจารณาสรากศพนี้เป็นเวลานานและยิ่งกำหนดยิ่งพิจารณาไปเท่าไหร่จิตก็ยิ่งปรากฏสว่างสวัยขึ้นมากจึงได้ปรากฏเป็นดวงแก้วขึ้นแล้วทิ้งการกำหนดอสุภะโดยกำหนดเอาเฉพาะดวงแก้วนั้นเป็นอารมณ์ วาระต่อไปจึงปรากฏเห็นเป็นนิมิตอันหนึง่งคล้ายกับภูเขาอยู่ข้างหน้าคิดอยากจะไปดูบางทีอาจจะเป็นหนทางที่อาจจะปฏิบัติได้ดีบ้างกระมังปรากฏในนิมิตสมาธิต่อไปอีกว่าได้เดินเข้าไปมองเห็นเป็นชั้นชั้นมีถึงห้าชั้นจึงก้าวขึ้นไปจากชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้าเป็นบันไดแก้วแล้วหยุดอยู่บนชั้นนั้น แต่แล้วก็กลับคืนและในขณะนั้นปรากฏว่าได้สะพายดาบอันคมกล้าไปด้วยเล่มหนึ่งพร้อมทั้งสวมรองเท้าวิเศษอีกด้วยในคืนต่อไปทาสมาธิเข้าไปถึงชั้นเดิมอีกแต่คราวนี้ปรากฏเป็นกำแพงแก้วอยู่ข้างหน้าที่กำแพงแก้วนั้นมีประตูเข้าออกได้จึงคิดอยากจะเข้าไปดูว่า มีอะไรอยู่ข้างในนั้นจึงเอามือผลักบานประตูเดินเข้าไปเห็นมีทางอยู่ทางหนึ่งเป็นสายตรงได้เดินไปตามทางสายนั้นข้างทางด้านขวามือมีสำหรับนั่งและมีพระกำลังนั่งสมาธิอยู่ประมาณสองถึงสรูปที่อยู่ของพระนั้นคล้ายกับประทุนเกวียนแต่เราไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่นักจึงเดินต่อไป ข้างทางทั้งสองมีถ้ำเงื้อมอยู่มากและได้เห็นดาบทตนหนึ่งแต่ก็ไม่เอาใจใส่อีกแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงหน้าผาซึ่งสูงชันมากคิดจะเดินต่อไปอีกก็ไม่ได้จึงหยุดเพียงแค่นั้นแล้วกลับมาตามทางเดิมในคืนต่อไปก็ได้เข้าจิตสมาธิดําเนินไปตามทางเดิมทุกประการ เมื่อไปถึงหน้าผานั้นปรากฏว่ามียนต์อยู่อันหนึง่งคล้ายๆกับอูมีสายย่อนลงมาจากหน้าผานั้นจึงได้ขึ้นยนต์พอนั่งเรียบร้อยแล้วยนต์ก็ชักพาขึ้นไปบนยอดเขาลูกนั้นแต่บนเขานั้นมีสัมภา์ใหญ่อยู่ลำหนึ่งได้ขึ้นบนสัมภาร์ลำนั้นอีกข้างในสัมภา์มีโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ตัวหนึ่งบนโต๊ะมีผ้าสีขาวละเอียดปูไว้ เมื่อมองไปมองมาทั้งสี่ทิศเห็นมีแสงประทีปตั้งไว้รุ่งโรจน์ชัชวานประทีปนั้นคล้ายกับติดเชื้อด้วยน้ำมันจึงได้ขึ้นนั่งบนโต๊ะนั้นและได้ฉันจังหันคือฉันเช้าที่นั่นด้วยของฉันก็มีข้าวและแกงกับอีกหลายอย่างเวลาฉันเสร็จแล้วมองไปข้างหน้าเห็นฝั่งโน้นไกลลิบ์จะไปต่ออีกก็ไม่ได้เพราะมีเหวลึกขวางหน้าอยู่ และสะพานที่จะข้ามก็ไม่มีจึงต้องกลับสู่ทางเดิมคืนหลังต่อมาก็ได้เข้าสมาธิจิตไปตามเดิมนั่นเองแต่พอมาถึงสมเาอลำนั้นก็ยังคิดอยากจะข้ามเหวต่อไปปรากฏว่ามีสะพานเล็กๆพอข้ามไปได้เมื่อข้ามไปถึงฝั่งข้างโน้นแล้วเห็นเป็นกาแพงใหญ่สูงมากและประกอบไปด้วยค่ายคู ประตูและหอรบคร บ, บริบูรณ์ด้านหน้ากำแพงมีถนนใหญ่อยู่สายหนึ่งจากทิศใต้ไปทิศเหนือนึกอยากไปแต่ผลักประตูไม่ออกจึงต้องกลับทางเดิมคืนหลังต่อมาอีกก็ได้เข้าสมาธิจิตไปตามทางเดิมนั่นอีกในคืนวันนี้เมื่อไปถึงระหว่างตอนที่จะข้ามสะพานตรงเหวลึกนั้น ปรากฏว่ามีสะพานใหญ่กว่าวันก่อนมากขณะที่เดินไปตามสะพานถึงระหว่างกลางนั้นก็ได้พบกับท่านเจ้าขุนพระอุบาลีคุณูปมาจาร์นจันสิริจันโทจึงเดินส่วนทางมาแล้วกล่าวว่าอัดทังคิโกมัคโคแล้วก็เดินต่อไปครั้นไปถึงประตูแล้วมองเห็นประตูเล็กจึงผลักประตูเล็กออกไปได้ เข้าไปพลักประตูใหญ่ก็ได้อีกเมื่อเดินเข้าไปก็เห็นมีกำแพงและมีเสาธงตั้งอยู่กลางเวียงกำแพงนั้นสูงตระงานบานใจยิ่งนักที่ข้างหน้ามีถนนสะอาดเตียนราบรื่นและมีหลังคามุงไว้มีประทีปโคมไฟติดไว้ตามเพดานสว่างสวยัยข้างหลังถนนเห็นมีโบสถ์หลังหนึ่งจึงเดินเข้าไปในโบสถ์นั้น ภายในโบสถ์มีทางสาหรับเดินจงกรมและมีดวงประทีปตามไวสว่างสวายอยู่สองข้างทางเดินคิดอยากจะเดินจงกรมจึงได้เดินกลับไปกลับมาอยู่ณที่นั้นและเห็นธรรมมาตุอันวิจิตไปด้วยเงินตั้งอยู่จึงได้ขึ้นไปนั่งบนธรรมมาตนั้นข้างบนธรรมมาตนั้นมีบายูใบหนึ่งเมื่อเปิดดูก็พบมีดโกนอยู่เล่มหนึ่ง พอมาถึงตอนนี้ไม่มีนิมิตอะไรอีกต่อไปคงหยุดเพียงแค่นี้ทุกวันทุกคืนได้เข้าจิตทำนองนี้จนเกิดความชำนิชำนาญจะเข้าออกเวลาไหนก็ตามใจชอบพอถึงที่ของมันแล้วจะสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายแม้เสียงก็ไม่ได้ยินทุกเขเวทนาก็ไม่ปรากฏเป็นเช่นนี้อยู่ถึงสามเดือน และทุกครั้งที่เข้าจิตไปนั้นดาบแล้วรองเท้าก็ต้องมีพร้อมทุกคราวไปจนสำคัญตนว่าตนของตนถึงความบริสุทธิ์แน่จริงหมดจดจากกิเลสแล้วการเกิดนิมิต ท, ที่ท่านเล่ามานี้ผู้เขียนได้เขียนจากปากคำของท่านเองขณะที่ท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่ที่ศาลาเวลาบ่ายสองโมงเศษ ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษขอจดลงในสมุดบันทึกเลยและท่านก็บอกกับผู้เขียนว่าระวังอย่าได้ไปนลงในนิมิตเช่นนี้เพราะมันวิเศษจริงๆผู้ปฏิบัติทางจิตชอบมาติดอยู่เพียงแค่นี้และสำคัญตนผิดเราเองก็สำคัญตัวเราเองมาแล้วและมันก็น่าจะหลงเพราะเป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่วิปัสสนา ป, ปกิเลสก็คือความเป็นเช่นนี้ ท่านเล่าต่อไปว่าถึงแม้จะสำคัญว่าตนบริสุทธิ์แล้วก็ตามแต่ยังมีความสงสัยอยู่เหมือนกันจึงได้มีการกำหนดรู้เมื่อเวลาจิตออกจากความสงบแล้วปรากฏว่ายังมีวิแววแสดงอาการกระทบกระเทือนในเมื่ออารมณ์มากระทบย่อมอ่อนไหวไปตามเมื่อคิดค้นดูเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วเห็นว่าลักษณะจิตที่ดาเนินไปอย่างนี้ คงจะยังไม่ตรงต่ออริยมามรรคอริยผลแน่จึงพยายามไม่ให้จิตมาลงไปเหมือนเดิมถึงมันจะลงก็ไม่ยอมให้มันลงกำหนดกายคตาเป็นอารมณ์พยายามแก้ไขตัวเองอยู่เดือนเศษในวันหนึ่งหลังจากที่ไม่ให้จิตมาลงไปตามลิมิตต่างๆนั้นได้แล้วกำหนดเฉพาะกายคตาจิตได้เข้าถึงฐาน ปรากฏว่าได้เลิกหนังของตนออกหมดแล้วแวกภายในกายได้พิจารณาทบทวนอยู่ในร่างกายอย่างละเอียดแต่ก็ใช้เวลาพักจิตมิใช่พิจารณาไปโดยมิได้มีการหยุดพักแต่เมื่อพักจิตก็รู้ว่าปัญญาได้เกิดขึ้นพอควรมีอาการไม่ตื่นเต้นและไม่วันไหวจึงได้เปลงอุทานว่าเนี่ยแหละจึงจัดว่ารวมถูก เพราะไม่ใช่จิตรวมสงบก็อยู่เฉยที่สงบนั้นต้องสงบและพิจารณาอยู่ในกรรมัฐานคืออยู่ในการพิจารณาดูตัวทุกข์คือกายนี้เป็นตัวทุกข์และให้เห็นตัวทุกข์อยู่จึงจะได้ชื่อว่าดาเนินจิตอยู่ในองค์มรรคท่านอาจารย์มั่นได้เล่าถึงตอนนี้จึงพูดขยายความต่อไปอีกว่า เราจะต้องตรวจค้นให้รู้จริงเห็นจริงอยู่ที่กายกับจิตเท่านั้นจึงจะถูกอริยมารปฏิปทาจนครั้งหนึ่งปรากฏว่าร่างกายของท่านแตกออกเป็นสองภาคและก็ได้กำหนดจิตให้นิ่งจนเกิดความสังเวชสลดใจจึงถือเอาหลักนั้นเป็นการเริ่มต้นพาเห็นว่าถูกต้องแล้วเป็นปฏิปทาดำเนินต่อไป